Thank mm -hmm. you. ใช้ประโยชน์จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราที่นี่ให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกตัวอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราหรืออะไรก็ตามที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นสิ่งอื่นตลอดจนไม่ว่าจะมีกิ จ, จวัตรอะไรที่เราต้องทา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมู่คณะก็ให้ใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นไปเพื่อส่งเส ร, ริมการปฏิบัติของเราของการปฏิบัติโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยมันเป็นวิธีที่เรียกว่าเป็นสากลอะไรที่เกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ ความหงุดหงิดความโกรธความไม่พอใจความเครียดสิ่งเหล่านี้ในชีวิตคนปกติธรรมดาก็รังเกียจก็ไม่ชอบแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอุปกรณ์สาหรับการปฏิบัติได้คือให้รู้ให้รู้ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดยืดยาวแค่ไหนเกิดหรือว่าเกิดสั้นแค่ไหนนะถ้าเรารู้รู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันมีในใจ อันนั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแล้วอย่าไปคิดพยายามไปกดข่มมนันเอาไว้หรือไปเข้าใจว่าถ้าปฏิบัติก็ต้องกดข่มมันนะันนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์หรือเป็นวิธีการที่ใช้ในการภาวนานแนวอื่นแต่ว่าสาหรับการเจริญสติปัฏฐานไม่ได้เรียกร้องให้เราทำอย่างนั้นให้เพียงแค่เห็นเฉยเยรู้เฉยเฉย อะไรที่เกิดขึ้นกับกายและใจก็รู้นะรู้อย่างเดียวเพราะว่าเพียงแค่รู้นั่นเนี่ยมันก็ทำให้ปล่อยให้วางได้การรู้กับการละมันก็ไปด้วยกันรู้แล้วก็ละไปได้เนะ้ฝึกให้รู้เฉยๆเท่านั้นแหละพอการรู้เนี่ยมันก็ทำให้เราจะจำสภาวะของอารมณ์ต่างๆได้ เมื่อมันเกิดขึ้นอีกก็จะจําได้ดีขึ้นเมื่อจําได้ดีขึ้นก็จะปล่อยวางได้เร็วขึ้นแต่ก่อนมันเหมือนกับว่าเข้าไปในอารมณ์เข้าไปในความคิดก็เลยไม่จําสักทีถูกมันหลอกถูกมันพาหลงไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหันมาตั้งตั้งหลักหมายว่าต่อไปนี้อะไรเกิดขึ้นก็ตามก็จะรู้ก็จะรู้นะรู้อย่างเดียว อย่างที่หลวงพ่อคาเขียนว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆไม่ต้องไปทาอะไรกับมันการรู้เฉยๆนี่ก็เหมือนการสาดแสงส่องเข้าไปในที่มืดที่มืดมันก็หายไปเองไม่ต้องไปขับไล่ความมืดมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นเป็นหน้าที่ของแสงสว่างเราก็ไม่ต้องไปทาอะไรกับไอความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นให้สติทํางานของเขาเอง สติทางานยังไงสติก็คือพอเราลึกรู้ได้มันก็กลับมาอยู่ที่ใจกลับมาอยู่ที่กายมันก็เป็นการละไออารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นไปในตัวโกรธก็ดีคเครียกก็ดีคเครียด ก, ก็ดีฟุ้งซ่านก็ดีมันพอรู้แล้วมันก็ละของมันไปเองเพราะว่าเกิดความะระลึกได้ก็จำได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อกี้เผลอไปเผลอไปคิดเมื่อกี้เผลอฟุ้งไปมันก็กลับมา อันนี้แหละเราทำอย่างนี้ได้กับการทำงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นทำงานก็ให้มีสติตัวอยู่ในใจอยู่นั่นทำงานที่ครัวหรือว่าทำงานกวาดใบไม้ถางหญ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดอยู่แล้วนั้นมันก็เหมาะสาหรับการที่เราจะทำโดยรู้กายไปด้วยมือเคลื่อนไหวไปมากับสิ่งต่างๆ ก็เพียงแต่รู้นะในอาการเคลื่อนไหวเหล่านั้นรู้รวมๆนะไม่ต้องเพ่งนะเวลาถางยญาก็ถางไปไม่ต้องไปเพ่งที่ตรงใดจุดใดจุดหนึ่งให้มันรู้ไปรวมๆอันนี้ก็เรียกว่ารู้สึกตัวหรือว่ารู้ตัวทั่วพร้อมถ้าไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วบางทีมันมันจะหลงลืมบางอย่างไปอย่างเช่นที่เราไปเพ่งที่มือเนี่ยเวลาถางยญ้าเราไปเพ่งที่มือบางที ขนาดนั้นเองเนี่ยก็อาจจะมีมันแรงหรือว่ามีไส้เดือนอยู่แต่ว่าใจเรามันไปเพ่งอ ย, อยู่ที่มือที่กำลังจับจอบจับเสียมมันก็ไม่เห็นไม่สังเกตไส้เดือนบางทีก็ไปฟันไส้เดือนขาดก็มีเพราะว่าไม่ได้รู้ตัวทั่วพร้อมแต่ถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมหรือมีสัมปชัญญะมันก็จะรู้นะว่าจะต้องทำยังไงให้มันถูกต้องงานการปฏิบัติเนี่ยมัน มีทั้งปฏิบัติแบบในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบนอกรูปแบบแล้วก็ทำไปกับงานกับการหลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าช่วยโอกาสให้เรารู้จักช่วยโอกาสก็คือว่าเอาทุกอย่างเป็นการปฏิบัติหมดไม่ใช่ว่าการปฏิบัติมีต้องเข้าไปหลีกเล่นการที่เราปฏิบัติกะเป็นหมู่คณะมันก็เป็น การปฏิบัติทำในตัวได้ถ้าหากว่าเรามีสติอยู่กับงานที่เราทำในระหว่างที่เราอยู่กับกลุ่มชนเหล่านั้นอยู่กับเพื่อนๆนเราก็สามารถจะอยู่แบบวิเวกได้อยู่คนเดียวได้การอยู่คนเดียวในอริยวินยัยไม่ได้หมายความว่าเก็บตัวไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ได้หมายความต้องอยู่ในป่าไม่ได้หมายความอยู่ในห้องผู้เจ้าตรัสว่าแม่อยู่ในป่าหลีกเล่นแต่หากว่า จิตมันผูกติดกับตัณหาผูกติดกับอารมณ์ก็ถือว่ามีเพื่อนสองคือไม่ได้อยู่คนเดียวเนีนเมื่อจิตปรุงแต่งไปกับอารมณ์จิตปรุงแต่งหรือผูกติดกับอารมณ์แทนที่จะเห็นมันกลับไปผูกติดกับมันโดยเพราะตัณหาอันนี้ก็เรียกว่ามีเพื่อน2ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วหรือแม้ว่าจะอยู่หลีกเล่นแต่ว่าใจนี่ฟุ้งปรุงแต่งไปกับอดีต ไปกับเรื่องอนาคตก็ไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวน ะ, ะพระองค์ตัดว่าเมื่อใดก็ตามที่ละวางเรื่องที่ผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่ไปกังวลกับเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงก็คือไม่ไม่หวนติดอยู่กับอดีตหรืออนาคตอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวนะแม้ว่าจะมีคนอื่นอยู่รอบตัวแต่ว่าเราอยู่กับปัจจุบันนะไม่ไปหวนติดกับ อดีตกับอนาคตอันนี้เราอยู่คนเดียวในอริยวินัยนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่มีใครอยู่กับเราเลยอยู่ในป่าผู้เดียวอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการอยู่ผู้เดียวในทางสมมุตินะแต่ว่าถ้าใจมันฟุ้งไปเพลินไปกับอดีตอนาคตหรือว่าไปผูกติดกับตัณหานี้เรียกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปคิดว่าโอ้ถ้าต้องไปทางาน กับหมู่คณะแล้วนี่มันจะเป็นอุปสรรคกี่ขวางการหล่กเล่นของเรานนันไม่ใช่การหล่กเล่นที่แท้จริงนี่ไม่ได้อยู่ที่กายภาพหรือว่าอยู่ที่ว่ามีคนแวดล้อมเราแค่ไหนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องอะไรในใจของเราในใจของเราเป็นยังไงอยู่คนเดียวแต่ใจฟุ้งซ่านมันมีเสียงพูดอยู่ในหัวเราตลอดเวลา มีเสียงพูดอยู่ในหัวตลอดตลอดเวลานี้ก็เรียกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการปฏิบัตินะการเจริญสตินะมันทาได้ตลอดเวลาแม้ขณะที่เรานั่งอยู่นี้ขณะที่เรานั่งฟังอยู่นี้มันก็เจริญสติไปได้ขณะที่ฟังอยู่บางทีเผลอคิดเผลอคิดออกไปเรื่องข้างนอกนะเผลอไปห่วงเรื่องงานเรื่องการเผลอไปห่วงลูกหลานที่บ้าน แล้วก็ประเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ตัวขึ้นมาเราลึกขึ้นมาได้วันนี้เรากำลังนั่งฟังอยู่นะเรากำลังอยู่ที่ศาลาให้การระลึกได้ตรงนี้แหละคือสติสติคือความระลึกได้นะแล้วถ้าระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจมันเรานี้เ ร, เรียกว่าสติปัฏฐานเป็นสัมมาสติการระลึกได้นี่มระลึกได้หลายอย่างขณะที่เรานั่งอยู่นี้เราเระลึกได้ถึง เหตุการณ์ไล่ล่ที่เกิดขึ้นกับเราเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับเราคำพูดที่เขาด่าเราอันนี้ก็สตินะแต่มันเป็นมิจฉาสติเพราะมันระลึกได้แล้วเนี่ยมันทาให้ทุกข์แล้วมันเป็นการระลึกเรื่องนอกตัวการระลึกเรื่องเรื่องนอกตัวนี่เราก็ใช้อยู่ประจเระลึกได้ว่าโอ้พุ่งนี้จะต้องทำอะไรบ้างพุ่งนี้วันพระนะเราต้องไปรวมกันทาวัดเช้าวัดเย็นที่ศาลานอก การระลึกได้แบบนี yeah, <the> <the> <out> <the> <discussions> <the> ้ก็เป็นสติแต่มันเป็นการระลึกได้เรื่องนอกตัวนะแล้วก็เป็นการระลึกเกี่ยวกับเรื่องอนาคตแต่มาสมาสตินี่มันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือว่ามันระลึกได้เกี่ยวกับกายและใจไม่ได้เรื่องนอกตัวนะเผลอไปเผลอฟุ้งไปแล้วก็ระลึกได้ว่าออนี่เราเผลอไปนะระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้นั่งฟังอยู่อันนี้คือระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจของเราเอง หรือว่าเราก็เป็นการลึกได้ในปัจจุบันด้วยเราลึกได้ว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ฉันกําลังทําอะไรอยู่ขณะที่เผลอไปเผลอไปคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงหลานแล้วก็ระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้อันนั้นแหละคือสัมมาสติคือสติปัฏฐานมันเป็นการระลึกรู้ในกายและใจไม่ใช่ระลึกได้ในเรื่องนอกตัวระลึกได้ในเรื่องงานระลึกได้ ว่าต้องทําอะไรระ ล, ลึกได้ว่าอาทิตย์หน้าจะมีงานอะไรหรือระลึกได้ว่าจําได้ว่าจากนี้ไปจะกลับบ้านนี้จะต้องออกจากว่าเราจะไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วตรงไปยงไังไงถึงจะถึงแก๊งข้อระลึกได้แบบนี้มันเป็นระลึกได้นอกตัวมันไม่ใช่สัมมาสติแต่มันก็ดีนะั่นก็เป็นประโยชน์สําหรับการทํางานทําการได้แต่การระลึกได้บางอย่างมันก็ไม่มีประโยชน์เลย นะเช่นการไปไประลึกถึงให้เหตุการณ์ที่มันมีแต่ยชนให้เราทุกข์มันแค่มันไม่ได้ระลึกแต่งเดียวมันจมอยู่ด้วยจมเข้าไปในในเหตุการณ์เหล่านั้นก็ทําให้ลืมตัวการปฏิบัติการเจริญสติปัญญา น, นี่มันก็มีหลักการง่ายๆเท่านี้แหละก็คือว่ารู้กายรู้ใจแล้วก็ระลึกได้ในเรื่องของกายและใจและสิ่งที่เป็นปัจจุบันมันทําได้ตลอดเวลานะทำวัดก็เจริญสติไปได้ ใจมันเผลอก็รู้นะพอรู้ลรากลับมาอยู่อาการสวดมนต์แต่บางทีใจมันไปอยู่การสวดมนต์ไปคิดเอาบทสวดมนต์ไปปรุงแต่งไปนึกคิดไปติดที่ถ้อยคําบางถ้อยคําอันนี้มันก็ลืมไปแล้วลืมปัจจุบันไปแล้วกลับมาให้การเจริญสติของเรานี่มันถึงเรียกว่าเป็นวิธีการที่สากลนะทำได้ตลอดเวลาให้การงานเป็นการปฏิบัติธรรมแต่เระเหตุนี้นะ แม้แต่การกินข้าวก็เป็นการปฏิบัติทำได้เพราะว่าเป็นการเจริญสติไปด้วยเปรนกับรสชาติของอาหารอ่าก็รู้มันไม่เข้าไปในความเพลินนั้นเห็นความอร่อยแต่ไม่เข้าไปเพลินกับมันก็เป็นการเจริญสติได้หรือว่าขยะขยงอาหารนะไม่ชอบรังเกียจนะก็เห็นอาการเหล่านะั้นที่เกิดขึ้นกับใจมันเพิดขึ้นมา เผ็ดมากเผ็ดจนกระทั่งเรียกว่าจนร้อนไปหมดเลยก็ให้เห็นเวทนานั้นอันนั่นแหละทุกขเวทนาแล้วเกิดขึ้นนะก็ให้มันให้มันเผ็ดแต่กายเผ็ดที่ปากแต่ว่าใจอย่าไปเผ็ดร้อนไปด้วยในการเจริญสติในขณะที่กินอาหารนี่มันก็ทำได้วิธีการเจริญสติมันไม่มีเรื่องอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนหรือเป็นเรื่องของอิทธิปฏิหารนะ บางคนการปฏิบัติเนี่ยบางคนคิดว่ามันต้องมีอะไรที่บื้อวา้าแหวกแนวนะเห็นแสงสีเห็นนิมิตสามารถทำอะไรที่พิเศษพิสดารได้นะไปคิดว่าการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นการปฏิบัตินะที่เรียกว่าสติปัฏฐานหรือว่าเป็นการปฏิบัติที่ลัดตรงเข้าสู่แก่นแท้ของพุทธศาสนาเนี่ยคือเพื่อการพ้นทุกข์ ไม่ใช่เพื่อให้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรได้เพราะว่าถึงแม้จะมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มีสามารถทายใจคนได้เห็นแสงสีเห็นนิมิตนะสามารถเข้าฌานในสิ่งเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่เหนื้อสามัญที่คนธรรมดา จ, จะทําได้แต่ว่าถามว่ามันช่วยพ้นทุกข์ไหมนะอย่างพระเทวทัตเนี่ยก็มีความสามารถมีที่ปาฏิหาริย์หลายอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้พ้นทุกข์ได้เลย เกิดมิจฉาทิฏฐิเข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถามว่าเออไอาการปฏิบัติของเราเนี่ยมันช่วยลดความทุกข์ได้ไหมมันช่วยทําให้ตัวตนขยายใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรือเกิดความยึดติดในตัวตนหรือเปล่าบางทีมีทิฏฐิปฏิหารสามารถทํานายอนาคตได้ก็กลับเป็นทุกข์ด้วยเพราะว่าราบสักการะเป็นเข้ามาเราก็ทําให้ยึดติดในราบสักการะนั้นนะทำให้ ไม่สามารถที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้อันนี้เราให้เราจับหลักให้ได้นะว่าการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ต้องนาไปสู่ความพ้นทุกข์เราจะ พ, พ, พ้นทุกข์พได้ต้องเกิดปัญญานะต้องเกิดปัญญารู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติที่เรียกว่าสัจธรรมตัดสรู้เนี่ยผู้จารย์มีความสามารถคือตัดสรู้ถึงเป็นพระพุทธเจ้าได้ ตัดสรุ้ด้วยพระองค์เองตัดสรุ้เรื่องอะไรก็ตัดสรุ้เรื่องสัจธรรมความจริงว่าสิ่งสัว์ะทั้งปวงมันมีอะไรที่นายึดถือได้แม้แต่ลาบสักการะชื่อเสียงแล้วมันก็ไม่สามารถจะเป็นที่ยึดถือได้และที่จริงแล้วเนี่ยพอปฏิบัติแล้วเนี่ยจนกระทั่งเข้าถึงความบนทุกข์แล้วชีวิตนี้ก็เป็นเหมือนสา ม, มัญไม่ได้มีอะไรที่พิสดารเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ มีกิจวัตรอย่างไรบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งพระงองค์ก็ตอบว่าก็ยืนเดินนั่งนอนคุยเหยื่อขึ้นไหวก็มีสติมีความรู้สึกตัวเท่านั้นเองนะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิสดาร น, นะบางทีเราไปคิดว่านะผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงหรือพระอรหันต์นี่ต้องมีความพิสดารต่างๆหลายอย่างเราไปให้ความสําคัญไปให้ค่ากับเรื่องอิทธิปฏิหารมากจนลืมไปว่าไอ้สิ่งสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่การพ้นทุกข์ ที่ปฏิหารมันก็เมือนกับเทคโนโลยีอ่ะคนที่มีเทคโนโลยีอยู่กับมือมีโทรศัพท์มือถือมีสามารถนั่งคือบินไปไหนมาไหนได้พวกนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันบางทีชาวบ้านธรรมดาที่เขาไม่มีอะไรไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเทคโนโลยีมากมายก็มีความสุขได้เคยมีคนท้าผู้เจ้าว่าเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยไม่มีความสุขหรอกนะสู้พระเจ้าพิมพ์พิสารไม่ได้ พระเจ้าปิพิสารมีความสุขมากกว่าก็พิสูจน์กันพิธีพิสูจน์ก็ง่ายๆไม่ต้องใช้ความพิสดารหรืออิทธิปฏิหารอะไรมากรู้จักก็เปรียบเทียบ ว, ว่าเนี่ยพระเจ้าปิพิสารเนี่ยนะสามารถที่จะนั่งอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงไม่พูดอับใรได้ไหมเจ็ดวันพวกนิครณท่ท้าบูจา ก, ก็บอกว่าไม่ได้หรอกแล้วถ้า6วันละ่ะก็ไม่ได้ แม้ลดมาเหลือ1วันเนี่ยก็ไม่ได้แต่พระพุทธองค์บอกว่าพระองค์ทำได้อยู่นิ่งๆไม่ไหวติงนะไม่พูดกับใครเลย1วันก็ทําได้2วันก็ทําได้7วันก็ทําได้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องพิสดารอะไรนะเป็นเรื่องแต่เป็นเรื่องของการที่เมื่อมีความสุขล้จิต ก, ก็นิ่งนิ่งแล้วมันนิ่งที่แรกก็นิ่ที่กายนะต่อไปก็นิ่งที่ใจต่อไปก็นิ่งที่กายด้วย ไม่ได้วัดกันไม่ได้แสดงว่าไม่ได้อวดความเก่งกล้าสามารถด้วยอิทธิปฏิหารอะไรแต่ใช้วิธีง่ายๆที่ทุกคนก็สามารถจะเห็นได้นะแล้วก็เข้าใจได้อันนี้เราไปเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยโดยพิปัสฉณากรรมฐานนี่มันต้องเป็นเรื่องของความลี้ลับเรื่องของความพิสดารเรื่องของอิทธิปฏิหารนั่งแล้วก็ต้องเห็นสีเห็นแสงนะสามารถถ่ายใจได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นผลพลอยได้เป็นเป็นของแถม นะแต่ไม่ใช่เป็นสาระไม่ใช่เป็นแก่นของการปฏิบัติในพุทธศาสนาเรื่องทำอะไรพิสดารแปลกๆเนี่ยพวกโยคีก็ทำได้เยอะบางทีก็ไปนั่งอยู่บนภูเขาน้ำแข็งถอดเสื้อนะถอดเสื้อแต่ว่าสามารถที่จะอยู่ได้ท่ามกลางอากาศที่มันหนาวเหน็บอันนี้บางทีพระอาหารหันต์ก็ทำไม่ได้นะแต่ว่าไม่ได้เสียหายอะไรที่ทำไม่ได้เพราะว่า คนที่ทำได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นทุกข์นะหรือพวกโยคีที่ทำทุกระกิริยาสามารถที่จะเอาตัวฝังไว้ในดินไม่หายใจนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ทำได้นะแต่ว่าพวกนี้พ้นทุกข์ไหมก็ยังไม่พ้นทุกข์เดี๋ยวนี้ก็มีบางคนนะที่สามารถที่จะกลั้นหายใจได้หลายนาทีเลย กลั้นหายใจอยู่ในน้ําได้30นาทีก็ก็ยังอยู่ได้แต่ถามว่าวิธีแบบนี้ช่วยพ้นทุกข์ไหมก็ไม่แสิ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้คือเรื่องของความยึดติดถือมาในตัวตนซึ่งตรงนี้แหละมันต้องอาศัยความรู้สึกตัวเข้ามาช่วยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยตัวตนตัวกูมก็ไม่มีมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูก็หายไปแต่มีตัวกูเมื่อไหร่ไอความรู้สึกตัวก็หายไปเหมือนกัน ให้ความรู้สึกว่าตัวกูหรือว่าตัวฉันนี่สำคัญมีคนเ็าบอกว่าเนี่ยสุขได้เมื่อไม่มีตัวฉันสุขได้เมื่อไม่มีฉันสุขได้เมื่อไม่มีฉันคือว่าเมื่อมีความยึดติดถือมันในตัวฉันมีฉันเมื่อไหร่ันก็มีปัญหาเมอแล้วฉันมีปัญหาไม่มีฉันก็ไม่มีปัญหาไอ้คว่าฉันในความยึดติดในตัวตนนะทีปฏิหารนี่มันก็มีแต่ทาให้หลงตัว หลงตัวหรือถือตัวมากขึ้นในการปฏิบัติบางทีมันมันง่ายหรือมันมันสามันจนบางทีเราเรานิ่ไม่ถึงว่าโอ้มันจะง่ายอย่างนั้นหรือเพราะเราไปคิดว่ามันต้องใช้วิชาใช้วิธีการยากๆทุกวันนี้เราพอเราไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติเราก็เลยเห็นมันเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนไปในการปฏิบัติเนี่ยนะสติปัฏฐานซึ่งเป็นทางสายเอกที่นําไปสู่ความพ้นทุกเนี่ย มันก็คือการที่เรารู้สึกตัวอยู่แล้วก็ระลึกได้ระลึกได้ระลึกรู้ในกายและใจให้กายและใจมันอยู่กับปัจจุบันนะกายมันอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วแต่ใจไม่ค่อยชอบอยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่ใจมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่มันไปส่งออกนอกหรือไมมันก็มันก็ไม่เข้าไปอยู่ในอดีตกับอนาคตอดีตอนาคตนี่ก็เป็นเรื่องความคิดทั้งนั้น นะอดีตผ่านไปแล้วแต่ว่าไอ้ความคิดในเรื่องอดีตมันมันชอบมาหลอกหลอนนะคนเราทุกข์เพราะเรื่องอดีตกับอนาคตนะอดีตผ่านไปแล้วก็ไม่ยอมให้ผ่านเรื่องเจ็บช้ำน้ำใจผ่านไปแล้วก็ยังเก็บเอามาไว้ทิ่มแทงตัวเองทุกวันนี้นี่เราทำร้ายตัวเองด้วยการเอาเรื่องราวในอดีตนี่มามาบั่นทอนตัวเองมากหรือไม่ก็ไปปรุงแต่งกั ง, กงวลกลัวกับเรื่องอนาคต เรื่องอนาคตยังมาไม่ถึงก็กลัวเรียกว่าตีตนไปก่อนไข้พอเป็นห่วงเรื่องงานเรื่องการพอเป็นห่วงแล้วนะมันก็ปรุงแต่งไปว่าถ้ามันเป็นอย่างโ น, น้นเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไงมันเป็นแค่ความคิดแต่บางทีมันก็หลงเชื่อจริงๆว่าเป็นความจริงนะหรือเวลาเจ็บเวลาป่วยยังไม่ทันเป็นอะไรแต่คิดไปแล้วว่าถ้าเกิดเป็นมะเร็งล่ะจะทำอย่างไรพอมันคิดแค่นี้แหละ ซุดทันทีเลยนะคนบางคนเนี่ยนะตัวซีดก็คิดไปลุวงหน้าแล้วว่าสงสัยจะไตาวายแล้วมั่งหรือว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าพอคิดแบบนี้เข้านะมันไม่มีเรื่องไม่มีแรงเลยนะต้องไปให้หมอเวลาไปหาหมอนี่ต้องนั่งเปลอต้องนอนเปลมามีคนนึงแม่ป่วยอยู่ที่ต่างจังหวัดนะทุกเสาร์ที่ก็ต้องไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดใจนี่ก็เป็นห่วงว่าแม่จะมีอาการ ไ ล, ล่แรงหรือเปล่าวันหนึ่งเนี่ยขณะที่ทํางานอยู่ก็มีโทรเลขมาโทรเลขนั้นเนี่ยบอกว่ามาจากบ้านของตัวเองที่แม่เนี่ยพักอยู่พอได้โทรเลขแนั้นแหละแกสุดเลยนะสุดเลยเป็นถ้าจะเป็นลมเลยนะร้องหม่มร้องไห้คนก็มาถามว่าร้องหน่งร้องไห้ทําไมก็บอกว่ามีโทรเลขจากที่บ้านมาแม่เสียชีวิตแล้วละ่ะคนที่มาถามก็ ฐานไปมองที่โทรเลขบอกว่าโทรเลขนี่ยังไม่ทันจะเปิดซองเลยยังไม่ทันจะฉีกซองเลยก็เลยถามว่า ย, ยังไม่ฉีกซองแล้วรู้ได้ยังไงว่าแม่เสียแล้วเขาบอกก็ถ้าแม่ไม่เสียจะส่งโทรเลขมาทําไมร้อยวันพันปีไม่เคยส่งเพราะว่าพอให้ฉีกโทรเลขดูพบอกว่าแม่โทรมาบอกว่าถ้ากลับไปบ้านเที่ยวหน้าก็ให้ช่วยซื้อยายาอย่างนี้ยีห้อ น, นี้มาให้ด้วยแบบนี้ก็มีนะ ไปเพศว่าตี ต, ตนไปก่อนไข้ปรุงแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าเรื่องที่ปรุงแต่งนี้เป็นความจริงแต่นี้คนเรานี่ไม่ค่อยรู้เท่าทานความคิดเท่าไหร่มันเพลอไปกับความคิดมากหรือไม่ก็ไปหลงกับความคิดไม่รู้ทานมาตัวเองนี่ชอบปรุงแต่งคนธรรมดาก็ชอบปรุงแต่งความคิดนะนะมีความคิดปรุงแต่งไปเรื่อยแต่ว่าถ้ารว่ามันเป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่ความจริงก็ไม่มีอะไรแต่เราเผลองไงเราไม่รู้สึกตัวเราลืมสติไป อันนี้ไงที่เราว่าไม่รู้ใจไม่รู้กายไม่รู้ใจลืมกายลืมใจไม่รู้เท่าทันในสาวพฤตการก็มีนะมีภาพรูปหนึ่งก็ไปหาอุปชาได้ภาพจำนำภาษ า, ามา2ผืนก็เอาภาพจานำภาษาผืนนึงให้กับอุปชาอุปชาก็ไม่รับบอกว่ามีแล้วภานพารูปนั้นก็เสียใจน้อยเนื้อต่ําใจว่าถวายอุปชาอุปชาไม่รับใจนี่ผ่านคิดจะสึกขึ้นมาเลยเราสึกขึ้นมาแล้วคิดยังไงต่อคิดว่าโอ ฉันจะเอาผ้าผืนนี่แหละที่ที่อาจารย์ไม่รับเนี่ยจะไปขายขายแล้วก็จะเอาเงินไปซื้อแพะซื้อแพะแล้วก็จะเอ า, อามาเลี้ยงเอาลูกมันเมื่อได้ลูกแล้วก็จะขายแล้วพอมีเงินแล้วนี่ก็จะก็จะได้แต่งงานมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็จะมีลูกเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยฉันก็จะพาลูกเนี่ยมามาเยี่ยมอุปชาพามี ม, มาด้วยคิดปรุงแต่งไปเรื่อยนะ ปรุงแต่งไปกระทั่งว่าขณะที่พาลูกพาเมียขึ้นมาบนเกวียนตัวเองขี่เกวียนแม่นี่ดูแลลูกอยู่บนเกวียนปรุงแต่งไปต่อว่าแม่นี้แม่เอาใจใส่ลูกเพราะว่าลูกตกลงมาจากเกวียนพอคิดได้เช่นนี้เจ้าตัวก็โกรธเลยนะโมโหเอาปาตักนี่ตีเมียเพราะว่าในระหว่างที่กําลังปรุงแต่งนี่กาลังกําลังพัดให้อุปชาอยู่ก็เลยเอาพัดนี่ตีอุปชาไปเลย พอตอนนั้นกําลังปรุงแต่งว่าเอาประตัดตีเมียที่ทําให้ลูกนี้ตกเกวียนไปนาติคนเราบางทีปรุงแต่งแล้วมันกลายเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนะอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่ทําให้คนเนี่ยทุกข์บางทีถึงกับตายได้เพราะต่อมใจหมอบอกว่าเป็นมะเร็งพอบอกเป็นมะเร็งนี่โอ้ยตายเลยหมอบอกว่าอยู่ได้แค่3มเดือนกลุ่มใจมาก ปรุงแต่งไปสารพัดต่างๆนานาว่าจะทําอย่างไรอยู่ได้แค่12บวันก็ตายแนละไม่ได้ตายเพรา ะ, มะเมล็ดนะตยต่ตายเพราะความที่ปรุงแต่งอันนี้ก็ให้เราพยายามนะให้รูรู้เท่าทันความคิดนึกของเรามันมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ดีแล้วนะแต่อย่าไปหลงเชื่อมันก็ถือว่ามันเป็นอุปรกรณ์สําหรับการฝึกให้เรามีสติมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้เรารู้จักใจของเราว่าใจของเราเนี่มันชอบปรุงแต่งอย่างไรบ้างอย่าไปหลงเชื่อมารู้จักทักท้วงมันบ้าง ถ้าเรามีสติเราจะทักท้วงมันเพราะเราจะไม่เผลอปรุงไม่เผลอคิดไม่เผลอเชื่อมันคือความจรงิงหรือเพราะเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนี่ถ้ามันยังไม่มาไม่ถึงนี่เราก็จะไม่ไปลงเชื่อว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเราก็จะเผลอใจไว้เสมอว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่คนไม่ค่อยมีความคิดที่จะทักท้วงเท่าไหร่เพราะมันลืมตัวไปแล้วเพราะไม่มีสติ